ขอกราบนอบน้อมพระรัตนไตกราบนมัสการหลวงตากรมพระอาจารย์วัฒนาชัยพระอาจารย์สุรินพระเถรานุเถระพันเตเพื่อนสหธรรมิกทุกท่านเจริญพรไม่ชีญาติโยมทั้งหลายตามสบายครับ ก่อนอื่นก็ต้องกล่าวถึงผู้มีพระคุณก่อนนะครับก็ไล่ตั้งแต่พระอุปชาพระคู่สวดพระนั่งอันดับครับแล้วก็พ่อแม่ญาติญาติพี่น้องโยมแม่พรโยมพี่แตง่งโยมพี่ยิ้มนะครับแล้วก็ พระอาจารย์ตุ้มที่ที่ทแล ะ, และผู้ที่เข้าร่วมพิธีทั้งหลายที่ที่ที่ทำให้ผมได้มาบวชเป็นพระภิกษุนะครับก็เป็นพระใหม่นะครับก็ต้องออกตัวว่าเป็นพระใหม่ก่อนนะครับก็อาจจะ เรื่องแสดงธรรมหรือว่าการพูดก็จะไม่ค่อยรับลื่นเท่าไหร่ติดขัดบ้างก็ขออภัยนะครับพูดพูดพูดถึงเรื่องพระใหม่หรือว่าะจะเรียกว่าเป็นมือสมัครเล่นก็ได้นะครับก็เปรียบเทียบก็จะเหมือนอช่างถ่ายรูปรช่างถ่ายรูปเนี่ยถ้าเป็นมือสมัครเล่นใช่ไหมครับ ก็จะพอถ่ายรูปเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอารูปมาดูกันครับรูปไหนมันดีไม่ดีพอมาดูรูปกันแล้วก็จะรูปนี้สวยนะสวยถ่ายมาดีดีดีดดถ้าถ้ารูปไหนไม่สวยเนี่ยไม่เป็นไรมือใหม่มือสมัครเล่นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่างกล้องมืออาชีพ เวลาถ่ายรูปมาก็จะมาดูกันรูปไหนสวยก็โอเคถ่ายดีแต่รูปไหนที่มันถ่ายไม่ดีมาถ่ายมาได้ยังไงเนี่ยอะไรสมัครเล่นก็จะรอดตัวไปนะก็กล่าวถึงว่าความเป็นมาที่ได้มาพึ่งใบบุญของวัดป่าสุขโ ต, โตนะครับ เมื่อประมาณ 5-6 ปีครับไปเวลาเราไปทำงานกับกับเจ้านายเนี่ยเจ้านายก็จะไลท์ซีมาฟังก็คือ CD ดีธรรมะของพระอาจารย์ไพศาลอิสาโุเราเก็ฟังกันทุกเช้าถ้าเกิดว่าวันไหนไปออกไปพบลูกค้าเงี้ยก็เราก็จะเปิดฟังกันหากลับก็ฟังครับ ก็ฟังตอนแรกที่ที่ท่านมามาเปิดให้ฟังก็จะเป็นเรื่องการเผชิญความตายอย่างสงบครับก็โดนใจดีไม่เคยฟังธรรมะแบบเสียงก็พระอาจารย์ท่านเทศก็เสียงก็ไพเราะชื่อก็พระชื่ออะไรพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลอ่าก็ก็เขาเรียกอะไรกศึกษาก็คือตามมหาคือ ค้นหาประวัติของท่านว่าความเป็นมาของท่านเนี่ยเป็นยังไงที่งในการค้นหาเนี่ยไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ได้ไปรู้เลยว่าครูบาอาจารย์ท่านเป็นใครครก็แค่อ่านผ่านๆว่าเป็นหลวงพ่อเทียนนะหลวงพ่อข้ามเขียนอะไรอย่างเงี้ยก็จะดูจากรายการเจาะใจบ้างวิทยุสังฆทานธรรมบ้างหรือฟังจาก youtube แล้วก็ดูอย่าง y o ยูทูบ รายการพื้นที่ชีวิตบ้างก็ฟังเลยท่านก็นจะเทศเรื่องความคิดเรื่องความรู้สึกตัวเรื่องการปรับตัวในการดำรงชีวิตในการใช้ชีวิตนะครับให้ให้ให้ใ ห, ใ ห, ใ ห, ใ ห, ให้ระวังระวังก็มามามาชอบอีกอี ก, อ, ก, อ, กอีกชุดหนึ่งก็คือจะเป็นเป็นงานของ วนณิธิโกมลกินคีมทองนะครับครั้งที่เท่าไหร่จําไม่ได้นะครับก็จะมีพระอาจารย์ภัยสารวิสาโลเนี่ยท่านก็จะเทศนาก่อนประมาณชั่วโมงกว่าครับก็เปิดฟังกันนะครับไม่ได้ไปที่งานก็มีอาจารย์ประมวลเพลงจันทร์นะครับที่เป็นองค์ปาถกนี่องค์ปาถกกี่คืออะไรผมก็ยไม่รู้นกัน นนุปาถกนะครับก็ท่านก็จะกล่าวถึงประวัติของท่านว่าความเป็นมาเป็นยังไงก็คือท่านก็จะเป็นคนบนนอกก็เป็นกรกรนี่แหละครับก็ไปบวชแล้วก็ไปเรียนที่อินเดียแล้วก็จบด็อกเตอร์มาสอนที่มหาวิทยลาลัยเรียนในด้านพุทธศาสนาครับสอน ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิชาภาะวิชาพุทธศาสนาและปัจจัยนะครับก็ประทับใจคือท่านท่านจะเอาอวิถีชีวิตของชาวอินเดียก็คือการใช้ชีวิตเนี่ยมามาม า, มาพูดแล้วก็มาเป็นการตัดสินใจในการที่จะแสวงหาครับก็คือช่วงชีวิตของชาวอินเดียนะเขาจะมีชีวิต ก็เกว่าพรหมจรรย์แล้วก็ขลืหัสต์ก็วันปัสนะครับคือช่วงพรหมจรรย์นี่จะเป็นช่วงการเรียนรู้การศึกษาเราเรียนหาความรู้นะครับคลืหัสต์นี่ก็จะช่วงออกออ ก, ออกเรือนมีครอบครัวมีหน้าที่การงานนะครับมีตำแหน่งอะรย่าง น, นี้วัปัตนี่ก็คือแบบเป็นช่วงชีวิตที่สแสวงหาออกออกสแสวงหาความจริงหรือว่า ก็แวงหาการหลุดพ้นครับท่านก็มาใช้ชีวิตช่วงนี้ใ น, ในช่วงบันป่าชีวิตก็ลาออกจากนั้นก็คือท่านท่านท่านท่านท่านบอกนี้คือผมผมรู้มาตั้งนานแล้วว่าความความเรอะไรความความความเกลียดมันไม่ดีนะ ความโกรธไม่ดีความรักคือความเมตตาท่านบอกท่านรู้อย่างนี้มาตั้งนานแล้วสอนคนอ่านหนังสือมาก็เยอะแล้วมารู้อย่างนี้มาตั้งนานแล้วผมยังเกลียดคนอื่นอยู่เลยยังเกลียดยังชังยังมีอารมณ์โกรธอยู่เลยท่านก็เลยตัดสินใจออ ก, ออกเดินเดินเดิ น, เ ด, นเดินเพื่อแสวงหาบางสิ่งบางอย่างนะครับก็ในในด้านกายภาพเนี่ยท่านก็จะเดินจาก เดินจากเชียงใหม่ไปสุราษฎร์ธานีนะครับส่วนทางด้านจิตใจนี่คือเป้าหมายก็คือทางด้านจิตใจนะครับทางด้านจิตใจมากกว่าคือถ้าเป้าหมายทางกายภาพนี่คนก็จะถามว่าไปไหนเดินไปถึงไหนอะไรอย่างี้ก็ตั้งเป้าหมายว่าเดินจากเชียงใหม่ไปถึงสุราษฎร์นะคือท่านปรินาว่าจะไม่ใช้สตังค์จะไม่ร้องขออาหาร ซึ่งซึ่ ง, ซ, ง, ซ, งซึ่งระยะทางค่อนข้างไกลเชียงใหม่ไปสู่ลาดทานีเนี่ยคือมันต้องหิวอ่ะมันต้องต้องเจอทุกขเวทนาที่แบบบีบคั้นมากนะครับแล้วก็ต้องใจแข็งว่าทนอดกันในใน ใ, ในคำสัจจวาจาของตัวเองนะครับแต่ท่านก็เดินได้สุดยอดจริงๆคือคือคือคื อ, ค อ, ค อ, คอไม่ตายเดินได้ถึงเป้าหมายได้ได้เร็วกว่า ก, กำหนดอีกนะครับ ก็ประทับใจนะครับก็ฟังมาเรื่อยๆนะครับติดตามพระอาจารย์มาเรื่อยๆก็มันก็จะมีช่วงชีวิตของคนเรามันก็จะมีช่วงชีวิตเขาเรียกว่าขาลงนะครับก็เราก็รู้สึกว่าตัวเองตัวเองเอาตัวเองไม่อยู่แล้ะไม่ไหวล้วไม่ดีก็ ไปพึ่งธรรมะดีกว่า ก, ก็ก็ยังดีนะครับเดื๋บางคนก็อาจจะเจอปัญหาชีวิตเนี่ย จ, จะทำในสิ่งที่ไม่ดีก็คือแบบอาจจะไปป้นไปจี้ไปฆ่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังดีคือเรายังฟังธรรมะนะครับเขาข้างตัวเองนิดนึงทรรมาก็หาทางออกวิธีนี้ก็ ก็มาตอนแรกว่าจะมาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมนะครับทีนี้หลวงพี่ยิ้มก็เลยแนะนำให้ให้ว่าออพอดีมีโครงการทางของหลวงพ่อข้ามเขียนเนี่ยคือมีการบรวชให้ก็ไปติดต่ออาจารย์ตุ้มนะครับอาจารย์ตุ้มก็ดำเนินการให้ก็มีโยมแมพ่พรเป็นเาภาพให้ก็ก็ได้บวชทีนี้พอ พอได้บวชแล้วเนี่ยคือพอเสร็จพิธีเสร็จปุ๊บก็กลับมาแล้วก็ไปส่งที่กุฎมีพ่อมีญาติไปส่งที่กุฎนะครับเพื่อพอบวชเสร็จแล้วเนี่ยความรู้สึกมันก็จะจะจ ะ, จะต่างกับคารวัตนะครับปุ๊บก็จะมีคนไหว้นับแรกเลยนะครับพ่อกับแม่เนี่ไหว้เราคือรู้สึก เราก็เคยเห็นแต่คนเขาไหว้ผ่าเราไม่เคยถูกไหว้นะครับแ ล, แล้วคนที่ไหว้เรานี่เป็ น, ปนไม่ใช่ไม่ใช่คนที่อายุน้อยกว่าเราเป็นพอ่อเป็นแม่เป็นเป็นคนที่อายุเยอะกว่าเลยมาไหว้เรานี่ก็มีความรู้สึกอีกแบบหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็คือในการที่บวชนี่ก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องบรรลุธรรมหรือว่าอะไรก็คือจะพยายามทําปฏิบัติตัวให้ดีที่สุด ตามกำลังตามสมควรตามที่ครูบาอาจารย์ท่านได้แนะนำหรือว่าชี้แจงนะครับข้อปฏิบัติพอบวชเสร็จมันก็จะมีกิจที่ต้องทำก็คือทำวัดทำวัดเช้าทำวัดเย็นบิณฑบาตปฏิบัติทำบ้างนะครับไ ม, ไม่ไม่ถึงต้องทำทั้งวัน ทีนี้ในการทำวัดเนี่ยปัญหาคือว่าช่วงเช้าเนี่ยจะง่วงง่วงมากนะครับก็ช่วงแรกๆนะครับช่วงเดือนแรกๆเนี่ยคือหลับตลอดนั่งอยู่ข้างหลังนี่แบบมาปุ๊บก็สวดเสร็จพระอาจารย์เทศนาเนี่ี่ห้านาะทีนี่ก็หลับบางทีก็หลับยาวบางทีก็หลับหลับตื่นตืนนะครับ อยู่ข้างหลังนี่มันถ้ามีช่องว่างนี่มันก็จะหลับยากนิดหนึ่ง <c oughs> แต่ถ้ามีถ้ามีพระที่แบบบังหรือว่าพระตัวใหญ่ๆก็จะหลับสบายหน่อยเพราะว่าญาติโยมจะไม่ไม่ ม, ม่ค่อยนั่นเท่าไหร่แล้วถ้านั่งข้างหน้าหลับนี่ก็จะอีกเรื่องหนึ่งก็สักพักไปเรื่อยๆแล้วมันฟังธรรมก็ไม่รู้เรื่อง ไม่ไหวล่ะก็เลยไปวันนั้นไปไปกรุงเทพแล้วก็ไปพบได้ไปเยี่ยมอาจารย์กำพลนะครับกับกับท่านกอ๊อนฟะก็ได้ซีดีมาแล้วก็ลองลองเปิดฟังดูมีช่วงหนึ่งที่อาจารย์กำพลบอกว่าเวลาตื่นขึ้นมาเนี่ย คือท่านไม่ได้บอกว่าถ้านํะไม่ผิดท่านไม่ได้บอกว่าวิธีแก้ง่วงนะครับท่านบอกว่าถ้าตื่นขึ้นมานะอย่าเพิ่งทำอะไรนะนอนตรงนั้นแหละประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีก็เขาเรียกจเจริญสติท่านบอกว่าเจริญสติจเจริญสติก่อนกนะ็ดูว่าความคิดเป็นยังไงปิดตัวให้รู้สึกก็คุ้กคีอกับมันตรงนั้นนะ่ะเราก็เรียวลงลองมาทำดูนะครับก็คือมิกซ์กับการ ทำโยคะที่ตัวเองคิดขึ้นมาเองก็คือเอียดขาตรงๆแล้วก็ก้มลงไปเอาหัวกดที่ที่เขา่าก็คือลักษณะหัวเราใช่ไหมครับกดปลายเท้าอยู่นี่กดลงมาฟื้นกดให้สุดเลยมันก็จะรู้สึกว่าเอ็นมัน ป, ดปวดๆใช่ไหมครับแล้วเราก็คลายคลายแล้วมันก็จะรู้สึกสดชื่นสักสี่ห้าครั้งแล้วเราก็นอนลงบิดเกียร์ไปมารู้สึกตัวนะครับ สิบนาทีสินาทีก็ทำก็รู้สึกดีมากลับมาพอมาปุ๊บไม่ง่งวงะลรทีเนี้ยง่งวงลก็คือถ้าความง่วงมามันก็ไม่ไม่ไม่ใช่ปัญหาสบายดีก็ทำทุกวันนะครับส่วนตอนเย็นก็ง่วงนิดหน่อยเปลี่ยนลิลี ย, ยบทสร้างจังหวะไปก็หายแล้วขยับเปลี่ยนท่านั่งก็ก็หายแล้ว ทีนี้มันจะมีความง่วงที่ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้ท่านได้ไดเห็นนั่งนั่ ง, งเขาเรียกนั่งสมาธิใช่ไหมครับโอ ม, มานาอยู่พระโมคคัลลานี่หลับหรือว่าง่วงท่านก็เลยก็จะไม่ผิดท่านก็จะท่านเขาเรียกอะไรถอดจิตมาแล้วก็ม า, ม า, ม, า, ม, ามาสอนมาบอกวิธีมันจะมีวิธีอยู่8วิธีที่ที่พระพุทธเจ้าสอนพระโมคคัลลานะ่ะ คือค อ, อาจจะจำไม่หมดนะครับก็หนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าง่วงเนี่ยใ ห, ให้ให้ใส่ใจที่สัญญานั้นอบอกสองเนี่ยก็คือพิจารณาทำที่ได้ยินได้ฟังมาสามก็แยงหูบ้างจนถ้ามันไม่หายก็ลุกขึ้นเอาน้ำรูปหน้ารูปตัวตมันไม่หาย ก็มองไปข้างนอกเพ่งที่แสงสว่างจนจนสุดท้ายเนี่ยคือถ้ามันไม่หายเนี่ยก็คือให้หลับก็คือนอนนอนในท่าสีหะสายญาตนอนตะแคงขวาใช่ไหมครับเราขาไขกันคือตั้งจิตว่าถ้าเกิดว่ารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเนี่ยให้ลุกทันทีเลยก็จะมีูป8วิธีถ้าถ้าเรามองดีๆเนี่ยขั้นตอนในการแก้เนี่ย มันจะไม่มีการเพ่งเลยนะคือจะเปลี่ยนเปลี่ยนอิริยาบทหรือว่าเปลี่ยนความรู้สึกไปเรื่อยๆอคือไม่ถ้าไปเพ่งมันก็คื อ, อก็จะหลับคือคือถ้าเกิดว่าในการาเขาก็จะหลับก็จะง่วงก็จะพับบวชมาเรื่อยๆต่อนะครับก็ <c oughs> <c oughs> คือในช่วงช่วงปฏิบัตินีเนียช่วงปฏิบัติก็จะ ปฏิบัติเคร่ๆก็จะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเก็บอารมณ์นะครับเก็บอารมณ์ปฏิบัติเคร่งๆอ0สิกว่าวันนี้ก็ <c oughs> ในเรื่องกันนะครับก็คือการการกา ร, การเก็บอารมณ์เนี่ยก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพระอาจารย์ออสนะครับที่แนะนําวิธีการในการขั้นตอนในการปฏิบัตินะครับคือตอนแรกเราเป็นพระใหม่เราไม่รู้ว่า ในการเก็บอารมณ์เนี่ยต้องต้องต้องต้องต้องปฏิบัติตัวยังไงนะครับก็ไปถามท่านท่านก็บอกว่าคือบางบางทีเห็นพระที่เก็บอารมณ์ท่านๆก็บางทีท่านก็แบบมาเดินที่ถอดใจบ้างเดินที่นั่นเดินที่นี่บ้างก็เห็นาท่านอาจจะแสวงหาพื้นที่ที่เก็บอารมณ์ของท่านาก็ถามท่านก็บอกว่าให้ให้ให้อยู่ในพื้นที่ที่จํากัดไม่ต้องไปไหนนะแล้วก็บิดวาจานะครับ กิจกรรมตัวอย่างเช่นกวาดใบไม้หรือว่าอะไรเงี้ให้ให้ให้ลดแต่แต่ถ้าชงเสื้อผ้าหรือว่าอะไรเงี้ก็ก็ปกติก็ต้องสักก็อยู่ทําำอยู่เนี่ยสามวันแรกนี้ <c oughs> ต้องยอมรับหรือว่าหลับวันแรกนี้ยเ ช, ช้ชามาฉันเช้าเสร็จก็เอาสักไหนสักชั่วโมงหนึ่งวันที่สองสองชั่วโมงวันที่สาสามชั่วโมงช่วงเช้านะครับช่วงบ่ายก็ปฏิบัติทําอย่างนี้ไม่ได้เลยไม่ถูกต้องแหละ เอาเปรียบเพื่อนภิกษุทั้งหลายด้วยกันครับก็หลังจากวันที่สา ม, มาก็ไม่นอนเลยคือปฏิบัติตลอดตั้งแต่ตีสา ม, มายันสองทุ่มสามทุ่ก็คือจะไม่หลับเลยก็ก็ ก, ก็ก็พบความพบว่าความง่วงเนี่ยไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับคือความง่วงเนี่ยมันจะเป็นญาติกันกับความเบือ่อความอะไรก็ไม่รู้นะครับของง่วงกูก็จะเบือ่อ ถ้าเกิดว่ามีเรามีความมานะหรือ ว, ว่าความขยันเนี่ยมันมันมันมันแพ้เรานะครับางทีเดินเดินอยู่อย่างเงี้ยความง่วงมาเลยก็ปิดตา๊ปบปึปึ๊บปึบ๊มันหายไปเลยหรือว่าง่วงมากๆนี่ก็ใช้วิธีสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าแนะนำนะครับหลับไม่ได้นอนนะครับยังนั่งซักย่างไหวายอย่างเงี้เราง่วงคือช่วงเช้าเนี่ยเวลาฉันฉันฉันเช้าเสร็จเนี่ย ถ้าเรารีบจะเดินเพื่อจ้ที่จะหนีความม่วงก็จะจุกรู้สึกว่าจุกก็ก็เลยไม่ทำก็เลยมานั่งสร้างจังหวะกินข้าวเสร็จ้างจังหวะมันก็จะง่วงสึกง่วงพอมันหลับปุ๊บเนี่ยพอสะดุ้งตื่นเนี่ยเราสร้างว่เลยสะดุ้งปุ๊บนี่ฟับฟับฟับมันก็จะมันก็จะค่อยๆหายไปสองสาครั้งนี้ก็คือหายเลยก็ก็ได้ประโยชน์นะครับก็ในการปฏิบัติเนี่ยก็จะมีคําถาม ว, ปว่ปฏิบัติแล้วได้อะไรจากจากจากพระภิกษุพระใหม่ด้วยกันปฏิบัติแล้วได้อะไรปฏิบัติแล้วเห็นอะไรปฏิบัติแล้วได้อะไรก็ได้ไ ด, ได้จริงๆนะพอจะออกจากเก็บอารมณ์นี่ก็จะมีความรู้สึกว่า เ, เราบะมิสติเพิ่มขึ้นเวลาที่เพื่อนภิกษุด้วยกันแซวหรือว่าพูดอะไรเงี้ยเราก็จะจะ เข้ามาดูอารมณ์บางทีมันก็จะมีความเปิดความพอใจไม่พอใจบ้างสาวๆกันใช่ไหมครับก็จะามาดูที่ใจตัวเองเร็วขึ้นนะครับบางทีอาจจะตอบโต้ไปเร็วแต่บางทีก็ตอบโต้เร็วแต่แ ต, แ, ตแต่พอออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะเราก็จะเงียบลงหรือว่าบางทีก็เงียบไปก็ดีก็ดีครับ ปฏิบัติแล้วเห็นอะไรเนี่เป็นคําถามที่อ ม, มตะมากสําหรับพระใหม่ปฏิบัติแล้วเห็นอะไรก็คือคือคื อ, อไอ้ที่เห็นนี้คือมันถ้าจะสําหรับพระใหม่สําหรับผมนะครับก็คือจะเรียกว่าสภาส ว, ะวะธรรมนี่มันก็จะเป็นคําพูดที่สูงเกินไป ถึงว่าการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติเลยนะครับนิดๆหน่อยๆพอได้ชื่นใจแลมีวันนึงเดินอยู่นะครับแล้วก็เดินไปเดินมาวความคิดเนี่ยคือเวลาเราเวลาสําหรับผมนะครับเวลาเราเดินเนี่ยจะรู้สึกที่ตัวรู้สึกที่กายสึกที่เท้าเดินไปเคลื่อนไหวแล้วเวลาเราความคิดมันมาเนี่ยเ ร, เราไปรู้สึกที่ความคิดเนี่ยไอตอนที่เรารู้สึกที่ความคิดเนี่ย ไอ้ความรู้สึกตัวเนี่ยไม่ได้หายไปนะมันมีสองสองสองความรู้สึกคือรู้สึกที่ความคิดกับความรู้สึกที่ตัวถ้าเราไม่หลงครับถ้าหลงก็จะไม่รู้สึกตัววันนั้นก็รู้สึกพอคิดมาก็รู้สึกคิดไปคิดม า, ก, ก, ดมา ก, ก็คือสู้กันอยู่พักหนึ่งแล้วก็จะมีความคิดความคิดหนึ่งที่เด้งขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้คิดคิดมากก็เหนื่อยเนาะ <c oughs> เป็นความคิดที่ผมไม่ได้คิดเองอพอได้ยินจบพอได้ยินว่าคิดมากมันก็เหนื่อยนะผมก็ยิ้มแล้วก็หัวเราะคือไม่ได้หัวเราะกากออกมานะแต่หัวเราะแล้วก็เดินยิ้มยิ้มก็พอพอมันคิดให้เราได้ยินจบเนี่ยมันก็หายไปอ่พอพอมันหายไปเนี่ยปุ๊บความรู้สึกตัวนี่จะชัดจะแน่นขึ้นออแน่นขึ้นอย่านี้แล้วก็เดินไป มันก็จะมีความลังเลสงสัยใช่ไหมครับที่พระอาจารย์แนะนําแล้วก็สงสัยว่ามันมันจริงหรือเปล่ามันหายจริงหรือเปล่าก็ก็ลองปรุงดูแล้วปรุงดูมันก็ไม่มาจริงๆนะพอเราปรุงดูมันไม่มาเราก็เราก็ไม่ปรุงแล้วก็ก็เดินเพื่อรู้สึกตัวต่อไปก็รู้สึกตัวแน่นๆดีมันไม่มาแล้วก็ ก, ก็ก็เลยไม่ปรุงก็คือเกิดความกลัวว่า ก็มีความกลัวยงว่ า, ว า, วา จ, ะจะมีความคิดขึ้นมาก็เดินไปสักพักนึงก็รู้สึกดีนะครับเป็ น, ป น, ป น, ป น, ปนการเปลี่ยนแปลงนิดนึงแล้วคือก่อนก่อนหน้านี้เนี่ย ก, ก่อนหน้าที่จะบวชเนี่ยได้เรืองเรื่องความรู้สึกตัวเนี่ยคือเคยเล่าให้เพื่อนฟังด้วยกันก็ยกมาเล่าอีกทาวัดเสร็จเนี่ยก็กลับไปสาราไก่พักอยูสาราไก่ก็เดินจงกลมเลยครับเดินแล้วก็ขึ้นไปนอน ขึ้นไปนอนปุ๊บพอเปอิด ป, ป, ประตูเข้าไปแล้วก่อนนี้เราจะนอนก็จับเสื่อเพื่อที่จะปูสะบัดผ้าเพื่อที่จะเตรียมตัวนอนนะครับคือเวลาเราจับผ้าจับอะไรเนี่ยมันมันมันรู้สึกตัวแบบปิติครับเป็นเป็นความสุขที่เป็นความสุขความสุขจริงๆมันมีความสุขคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นนี่คือแบบมันรู้สึกไปเองครับไม่ได้เราจะจับจะอะไรเนี่ยมันรู้สึกให้เลย หรือว่าถ้าเราถ้าเราถ้าเราวางมือไว้ใช่ไหมครับเราสร้างสร้างอย่งางไรเราไห้มือปุ๊บแล้วใส่ความรู้สึกเข้าไปแต่อันนี้ไม่ต้องใส่เลยมันรู้สึกให้เลยอัตโนมัติอ๋อสบายดีก็ก็ไปพอบวดแล้วก็เลยไปถามพระอาจารย์วาัาน่าใสพรจาจบอกว่ามันเป็นพิตีนะต้องไปตามหามันคือคื อ, คอก่อนหน้านั้นผมก็ตามหามันแหละพอมันหายไปปุ๊บตามหาทั้งวันทั้งหลายวันเลยไม่เจอเลยพระอาจารย์บอไม่ต้องไปตามหามน ก็มองว่าในในเรื่องของของพุทธศาสนาเนี่ยมันก็เหมือนวิทยาศาสตร์เนาะไปเรียกว่าไปด้วยกันนะครับวิทยาศาสตร์จะไปไปคือก็เรียนเรื่อง ร, ร, รู้รู้เรื่องโลกและชีวิตเหมือนกันนะครับแต่วิทยาศาสตร์จะจ ะ, จะรู้เพื่อเพื่อ เพื่อเพื่อความอยากรู้ใช่ไหมครับแต่พระทุทศาสนาเนี่ยก็จะรู้เพื่อการพ้นทุกขนะ์ก็เวลาเยอะว่าจะคุยต่อกอ็เรื่องประทับใจนะครับเรื่องความประทับใจก็มีมีมีมีสเรื่องชัดๆนะครับที่ชัดเจนนะครับเรื่องแรกก็พูดไปแล้วเรื่องเรื่องเรื่องปิติหรือว่าความรู้สึกตัวที่มันชัดเจนนะครับ เรื่องเรื่องที่สองเนี่ยก็จะมาบวชใหม่ๆนะครับบวช ใ, ใหม่ก็ประมาณสักอาทิตย์กว่าๆสองอาทิตย์ไดค้คือมีคนแนะนําว่าจีวรมั น, ม, นมันไม่ดีนะผ้าไม่ค่อยดีพอดีมีพระใหม่รูปหนึ่งเนี่ยท่านจะเอาจีวรเนี่ยไปเก็บที่สํานักงาน ซึ่งมันเป็นผ้าดีนะครับแล้วก็มีคนแนะนาว่าออนี่เปลี่ยนได้นะผ้าดีนะเดี๋ยวมันขาดเดี๋ยวมันอะไรอย่างนี้เราก็เราก็เกิดกิเลสความอยากได้นะครับก็อยากจะเปลี่ยน <c oughs> ก็จีวรนี้ไปเจ็บไปที่กุฏิก่อนแล้วก็วันต่อมาก็ไปถามหลวงพี่หลวงพี่ประวัติเขาบอกว่าให้ไปเอาแปเอาสังขติหลวงพี่หลวงพี่ประวัติจะเปลี่ยนจีวรหลวงพี่ประวัติก็จะเปลี่ยนทาไมอะ่ะ จีวรท่าน ก, ก็ดีอยู่แล้วนี่เปลี่ยนทาไมเ ป, เปลี่ยนเพื่ออะไรเปลี่ยนเพื่อเพื่อความอยากเท่อยากได้หรือว่าอะไรท่านก็เราก็จะเปลี่ยนนะเราก็จะผู้ทวนลมหน่อยก็จะเปลี่ยนยก็ไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่คืออยากจะเปลี่ยนอย่างเดียวอ่ะท่านก็บอกว่าท่านก็คงเห็นแล้วว่าเอออยากจะเปลี่ยนออถ้าถ้าจะเปลี่ยนก็ไปเอามาเดี๋ยวจะดูให้ว่าสีอะไรสีต่างในในขณะที่ผมเดินกับ กดที่จะไปเอาจีวรมาเทียบสีเนะี่ยผมพิจารณาไปว่าเอ้เปลี่ยนทํำไมเอ้นี่มันก็ใช้ได้อยู่แล้วเปลี่ยนมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมาเปลี่ยนพอถึงพอถึงกุดกับเอาจีวรกลับมาผมก็พอถึงหลวงพี่ประวัติผมก็นั่งลงแล้วก็ยกมือกราบท่านขอบคุณมากครับผมก็เลยรู้สึกว่ า, าหลวงพี่ประวัติผมขอบคุณมากที่ที่ ที่เตือนที่ให้สติผมคือจริงๆแล้วมันก็ใช้ได้เราไม่ต้องเปลี่ยนนะครับก็เป็นความประทับใจเรื่อ ง, งครับเรื่องที่สองนี่ก็จะเกี่ยวกับพระอาจารย์วรนชัยครับไปวันนั้นเข้าเข้าในเข้าไปในตัวจังหวัดนะครับพระอาจารย์ท่านท่านฝากฝากไปเชื่อมดามมีด เชื่อมดาบมีดมาให้ท่านนะครับแล้วก็ามากลับมาปุ๊บก็ยินแล้วก็มาท่านไม่เจอท่านก็มีดวางไว้แล้วก็เช้ามาเนี่ยฉันฉันเช้าเสร็จก็ออกสตังทอนเรีมยมไม้ท่านผมยืน่นผมผมยื่นสตังทอนให้พระอาจารย์พระอาจารย์ทุกหมูว่ายหมูไหวยผมรับสตังทอนคือมันมันประทับใจครับคือว่าแบบพระอาจารย์ไหว้เราขอบคุณไหว้แล้วขอบคุณครับ อาจารย์ว่ากอก่อนเลยนะคือมันมีความรู้สึกว่าพระอาจารย์วัฒนาชัยไหว้ะ <c oughs> นะครับก็คืออัตตาตัวตนท่านไม่มีอะ่ะคือเป็นความรู้สึกอีกความรู้สึกไปนหนึ่งครับอันนี้ก็ความรู้สึกหนึ่งครับสุดท้ายนะครับก็ความประทับใจก็คือจะเป็นเรื่องหนึ่งก็เป็นวันนั้นเป็นงาน กรรมกรนะครับแล้วแลว แ, ลวแล้วท่อน้ำที่สาราไก่เนี่ยมันแตกก็ไปช่วยงานกันก็มีอาจารย์ออสมีท่านปูนนะครับแล้วก็ผมมีลวงพิทักษ์ท่านกอฟนะครับส่วนลวงพี่โก้กับท่านเข้าหอมเนี่ยก็จะมาทีหลังหลังความประทับใจผมนะครับก็คือมันตัดไม่ไปลุง ตอนออสที่ตัดไม่ภพ่เสร็จแล้วเนี่ยก็คือมันต้องดึงลงมามันดึงลงมามันพลาดกันอยู่ทีนี้มันดึงลงมาทีเดียวไม่ได้มันหนักมันต้องทอนเอาทีละท่อนทีละท่อนยาวประมาณว่านี่เราก็ช่วยตัดตัดปุ๊บพอตัดปุ๊บเนี่ยช่วงมันใกล้จะขาดใช่ไหมครับช่วงข้อพับมันใกล้จะขาดเนี่ยมันก็เวียงลงไปแล้วก็ฟพลาดทับกับท่อน้ําที่ท่อน้ําใหญ่ที่ส่งมาท่อแตก ไอ้แตกเนี่ยเราก็รู้สึกผิดมาพอแล้วนะครับก็แล้วก็คือมันจะมีความรู้สึกที่พอมันแตกเราก็รู้สึกผิดแหละอืก็จะพระอาจารย์ออสกับท่านปูนก็จะคือแช่ๆกันนะครับก็ถ้านก็คงไม่ได้คิดอะไรหรอกก็แต่ความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่แบบเออเรามาช่วยแล้วก็แบบไอ้นี่คือเราปรุงไปเองนะครับ พอเราปุงไปแล้วนี่มันก็จะเกิดความโกรธคือมันร้อนข้างในนี่เหมือนเอาถ่านไฟร้อนๆ น, นี่มายัดท้นในอกไงร้อนมากแล้วก็โกรธคือคือในการโกรธเนี่ยไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้ไม่ได้โกรธด้วยเขาเรียกกันเลยไม่ได้มีภาษาที่จะต้องไปไปด่าโดยคําหยาบนะครับคือคือโกรธแค่ว่าเออที่เร า, าช่วยทํานะทําไม น, น, นี่นี่นีนน่นั่นนู้นนั่นอะไร ก็แล้วก็ขยับไม่ไผ่ไปแล้วก็เราก็จะตัดพระอาจารย์ก็ขยับไประวังท่อแล้วเหมือนก็แตกแล้วก็ยิ้มยิ้มกันนะครับแต่ตอนตอนที่ทุกคนยิ้มเนี่ยผมไม่ยิ้มด้วยนะครับผมผมร้อนรุ่มมากผมดูความรู้สึกข้างในผมไม่ไหวผมก็เลยออกไปอยู่เดินเดินเดินดูอารมด้วยเองอยู่ข้าง ร้อนคือเดินนี้ไม่รู้สึกว่าผมไม่รู้สึกตัวเลยนะว่าตัวเองเดินเลยรู้สึกที่ความร้อนที่ข้างในที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้มีภาษาที่จะต้องมาดา่าต้องมาว่าเป็นความร้อนที่แบบร้อนแล้วลสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจครับนรกเป็นนรกมากเลยร้อนท่านก๊อปมาก็ขึ้นรถไปซื้ออะไรกันก็เล่าให้ท่านก๊อปฟังท่านก๊อปก็ช่วยคลายครับช่วยคลายความรู้สึกก็ดีขึ้นก็กลับมาก็ ก็ไม่รู้ว่ามันหายไปตอนไหนนะครับไ ม, ไม่ไม่รู้ว่ามันหายไปตอนไหนอาจจะหายตอนที่หลวงพี่โกมาหรือเพราะหลว ง, งพี่โกเป็นพระเอกช่วยช่ว ย, ช, วยช่วยเคลียร์งานให้ท่านจะถนัดเื่องท่อป่ามากาก็ก็คื อ, ค, อคือเวลาคนเราเนี่ย มีความโกรธคนอื่นเนี่ยเราจะเก็บความรู้สึกนั้นเนี่ยมามาคิดว่ามาปรุงเนี่ยแล้วก็เราก็จะเราก็จะร้อนจะทุกร้อนในใจอคนเดียวเงี้ยแต่แต่แต่หลังจากนั้นมาแล้วเนี่ยคือไม่ไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยนะครับถึงไม่ไม่ได้คิดเลยคือมันหายไปเลยอะ่ะก็ก็อันนี้ก็เป็นความรู้สึกที่ที่ที่ดีเรื่องนึงก็สมควรแก่เวลา สำหรับพระใหม่ก็ขอคุณภาษรีรัตนไตนะครับแล้วก็บุญใดที่ทุกท่านทุกคนได้ได้ได้กระทำในสิ่งที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับขอให้ส่งเป็นอิทธิผลนะครับที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วนะครับ จงสำเร็จโดยสัพพันธ์ทุกคนทั่วทุกคนทุกท่านทั่วหน้ากันเถิด